เราก็ยินดีแค่นั้นให้ได้แค่ไหนเราก็เต็มใจที่จะให้อย่างเต็มความสามารถเต็มภูมิปัญญาเต็มภูมิบรรามมบ ร, รมีของเราถ้าเรากำลังมีข้อขัดข้อง หร อ, รอความสำเร็จจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กลมอานาจการตัดสินใจที่จะเป็นผู้เซนที่จะเป็นผู้อนุมัติขอให้แผ่เมตตาอย่างผู้ขอความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ท่านผู้นั้นให้พรแก่ท่านผู้นั้นทำบุญแผ่ไปให้ท่านผู้นั้นได้ย่าสาโรดิบครอบครัวของท่านผู้นั้น เพื่อให้ท่านได้ทนุเคราะห์ในสิ่งที่เราปรารถนาอันเกี่ยวด้วยตุลาการงานนั้นแล้วก็ขอให้ความสําเร็จของเราเจงสะท้อนกลับไปเพิ่มหู่นให้ท่านมีความสุขได้รับความสําเร็จเป็นร้อยเท่าทาวีคูณด้วยและให้ความสําเร็จของเราเจง ไปเพิ่มความสำเร็จให้กับแม้บุคคลอื่นในหน่วยงานนั้นเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยให้คนอื่นได้มีส่วนแห่งความสุขได้มีส่วนแห่งความสำเร็จของเราเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยให้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้แล้วแผ่เป็นหลักไปยังบุคคลนั้น บางทีจะต้องทำบุญถวายหรือทำบุญเพื่อเป็นปฏิการเป็นเครื่องสําแดงความนอกน้อมความขอความกรุณามาอย่างท่านผู้นั้นและญาติสารุปต์ของท่านมากกว่าหนึ่งครั้งหรือมากกว่าสองครั้งโดยที่เราเองจะต้องไม่กระัำอยา่าง ต้องทำใจให้เป็นกลางว่าถ้าเราเป็นผู้สมควรจะได้รับความสาเร็จนั้นก็จงได้รับเถอดจงได้รับอย่างชนิดที่ทุกคนมีความสุขทุกคนมีส่วนแห่งความสาเร็จนั้นอย่างมากกว่าเราด้วยและถ้าหากว่าคนพบว่า มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางอย่างชัดเจนขอให้ท่านได้ขอความการุณาเขาด้วยเมตตาจิตทำบุญให้อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แผ่เมตตาให้อวยพรให้ให้เขา ได้กรุณาวกเป็นการกระทําที่ถ้าเรารู้สึกชัดเจนว่าไม่ถูกต้องก็ดีหรือถ้าเขาไม่เข้าใจก็ ข, ขอให้เขาได้เข้าใจและได้กระทําสิ่งที่ควรจะกระทําต่อเรา เคยทำแก่เขาไว้หรือทำแกใครไว้ด้วยความประพฤติตนขัดขวางประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ไม่สมควรจะได้เพราะกรรมที่คนนี้ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ของกรรมของเรามาขัดขวางเราเราไม่สมควรจะได้ ยังเป็นแก่ตกแก่ผู้อื่นขอให้คนอื่นได้หรือขอให้คนนั้นถ้าหากว่าเขาจะพึงทำการเพื่อยแยง่งผลประโยชน์ชิ้นนี้ไปก็ ข, ขอให้เขาได้และขอให้เขาได้และมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการที่เป็นบาปแก่เขาเถยให้ทำกิต ให้พร้อมที่จะอนุโมทนามุทิตาจิตกับเขาถ้าเป็นการธุรกิจก็อาจจะเป็นคู่แย่งชิงผลประโยชน์ก็แผ่โดยอาการอย่างนี้แผ่ให้ทั้งเขาและแผ่ให้ทั้งญาติสาวรจิของเขา าหากว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องก็ขอให้ญาติสาเิตของเขาที่เห็นความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรก็จงได้ช่วยสนับสนุนให้ความเหมาะสมที่ควรจะเป็นเกิดขึ้นไม่ว่าจะตกแก่เราหรือตกแก่เขาก็ตามหรือตกแก่ผู้อื่นก็ตาม เป้าหมายโดยชัดเจนไว้ว่าจะต้องมาช่วยเหลือเสื้อกูลเพราะเหตุว่าการที่เราเวียนว่ายใจเกิดมาแล้วนับพบนับชาติใน่วนคนที่เราเคยทำคุณกับเข้าไว้มีอยู่คนที่ ได้เคยประพฤติเกื้อกูลเราไว้ก็มีอยู่บัดนี้เขาจะอยู่ที่ไหนเป็นใครที่เป็นผู้ที่สมควรจะเกื้อกูลกับเราเกื้อกูลเราด้วยความจำเป็นทางหน้าที่การงานนี้ขอให้ท่านแท่จิต ความคิดเริ่มจากตัวท่านเองออกไปโดยลำดับโดยลำดับด้วยความปรารถนาด้วยเมตตาจิต ด, ด้วยการอุทิศบุญแผ่ไปให้กับผู้ที่เป็นมนุษย์ ก็ตามผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ตามผู้ที่เป็นญาติสาโลหิตของมนุษย์ผู้นั้นมนุษย์พวกนั้นในหน่วยงานนั้นในธุรกิจอย่างนั้นที่อยู่ในสายความต้องการของเราทรงจิตคือ เลยขยายออกไปโดยรอบทีละน้อยทีละนิดด้วยความปรารถนาอย่างนั้นเมตตาจิตของเราเคลื่อนไปถึงไหนขอให้ได้ไปสัมผัสจิตของบุคคลนั้นสัมผัสจิตของ วัปฏิกาผู้ที่เคยเกื้อกูลและจะได้มาเกื้อกูลอุดหนุนกันกับเราใครที่ได้เคยอุปการะเกื้อกูลกันขอได้จงเกื้อกูลเราให้เราได้ทางานกับเขาหรือให้เขาได้มาทำงานกับเรา มาช่วยงานของเราขอให้คนผู้นั้นจงได้เข้ามาสู่กระแสชีวิตของเราเข้ามาสู่กระแสการงานของเราหรือขอให้งานนั้นของผู้นั้นจงมาได้กับเราหรืองานของเราจงได้ไปสัมพันธ์ไปได้กับเขา ตาจิตและการอุทิศบุญนี้จงเป็นสื่อเป็นสายสัมพันธ์นำเราให้ได้มาพบกันท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามจิตที่พระเจ้าแผ่ไปแผ่ไปจงถึงจงสัมผัสจงชักนำบุคคล น, นั้น มาสู่ข้าพเจ้าหรือขอให้เทพยดาญาติสาลุบิตที่เป็นอมนุษย์ที่เคยเกี่ยวข้องกันกับข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกันกันกบเขาผู้นั้น จงได้โดนจิตโดนใจเป็นสื่อชักนำเราให้ได้ไดพบเขาชักนำเขาให้ได้มาพบเราและขอให้การพบกันการได้เกือ้อกูลกันจงยังประโยชน์ทุกประการให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝา่าย เราและเขาและผู้ที่สนับสนุนดนปิดดนใจให้เราได้มาพบกันจงได้ความสุขได้ความสำเร็จได้บุญบารมีตามสัดส่วนของตนของตนที่พึงได้ เราสมควรได้ประโยชน์แค่ไหนได้ความสุขแค่ไหนขอให้ได้แค่นั้นเพียงนั้นเขาอาจจะได้มากกว่าเราเราก็ยินดีมีความสุขหรือถ้าเราจะได้มากกว่าเขาก็ขอให้การได้มากกว่าเราจงเป็นผลตอบกลับแก่เขา ในลูกใดๆก็ตามให้เป็นร้อยเท่าทวีคูณและขอให้ความสำเร็จร่วมกันของเราจงเป็นประโยชน์เกื่อกูณแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่ทำให้บุคคลใดเดือดร้อนจงเป็นผลทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับความสำเร็จ ในรูปใดรูปหนะึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาผู้ใดมีส่วนแห่งความสาเร็จนั้นโดยประการใดๆขอจงได้มารับส่วนแห่งความสาเร็จนั้นไปด้วย ให้ความสำเร็จนี้จงเป็นความสำเร็จและความสุขร่วมกันแก่บุคคลโดยมากจงเป็นที่อนุโมทนาสาธุการแก่บุคคลโดยมากขอให้สูงจิตเคลื่อนไปโดยลำดับ โลกทั้งโลกแผ่ไปในจั ก, กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาอย่างนี้เมื่อใดท่านยังรู้สึกว่าจิตของท่านที่เคลื่อนไปนั้น เทียบเต็มไปด้วยความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมาท่านก็เพียงแต่ส่งจิตไปความปรารถนาและความรู้สึกนั้นแม้ท่านไม่ได้นึกอยู่ก็ปรากฏเป็นความรู้สึกอันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็จะมีผลไปสัมผัสแก่ผู้ที่เราแผ่ออกไปถ้าเมื่อใด ความรู้สึกนั้นลดถอยลงไปจากสำนึกของท่านก็ขอให้ท่านพูดในใจหรือนึกในใจให้ชัดเจนเพื่อเรียกความรู้สึกให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เคลื่อนความคิดนันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นขอให้เคลื่อนความคิดกลับ จะเคลื่อนความคิดกลับด้วยความรู้สึกอย่างไรก็ได้ในขณะนี้เพียงแต่ให้ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังชักความคิดของท่านลัดกลับเข้ามาหาตัวท่านชักความคิดความปรารถนาเมตตาของท่านลัดกลับมาสู่ตัวท่าน ด้วยมโนภาพว่าท่านกำลังนำหัวใจนำจิตใจนำมิตรภาพนำบุคคลที่ท่านต้องการค้นหาให้กลับมาพบท่านกลับมาเจอท่านไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ขอให้ได้มาพบกับ หรือท่านได้พบกับเขาจะโดยความบังเอิญหรืออย่างไรก็แล้ว <c oughs> เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างบุคคลสองบุคคลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบทำให้เกิดความสอดคล้องขึ้น ให้แผ่ความรู้สึกออกไปและกลับมาแล้วแล้วเล่าเอย่างสงบนิ่งอย่างชัดเจนอย่างเต็มความรู้สึกอย่างเชื่อมันแผ่กลับไปกลับมาหลายหลายครั้ง ตามเวลาที่ท่านกำหนดหรือตามโอกาสที่ท่านจะได้ทำจะทำให้ท่านมีงานเข้ามาสู่ตัวท่านมีบุคคลที่จะเข้ามาประสานผลประโยชน์กับท่าน ได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบถ้าหากว่าท่านจะทำให้ดียิ่งขึ้นให้หวังผลได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ท่านจะต้องทำบุญประกอบประกอบการ ยังบุคคลที่ท่านหมายใจไว้ก็ดีทั้งที่เป็นบุคคลที่จะสนับสนุนท่านได้หรือเป็นบุคคลที่เป็นอุปสรรคขัดข้องของท่านก็ดีทำบุญประกอบแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกับอุดิตบุญที่ท่านทำเพื่อเขาเพื่อคลอบครัวเขาเพื่อญาติสาโลหิตของเขา ท่านมีพลังบุญและพลังจิต ด, ดีบางทีการแผ่เมตตาของท่านช่วยทำให้เขาพ้นอุปสรรคมีความสุขความเจริญได้ดีขึ้นได้จริงตามสมควรแก่อำนาจเมตตาของท่านท่านก็จะได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งการอนุเคราะห์จากท่านผู้นั้น พร้อมกันนั้นแม้บุคคลที่ท่านแพ่ไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนการทำบุญแล้วส่งไปส่งกระแสไปถึงบุคคลที่ท่านหมายใจที่ควรจะได้รับบุญนั้น ก, ก็จะทำให้เมตตาจิต บุญของท่านเนี่ยได้รับการตอบ ร, รับดีขึ้นคราบคนที่เมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นญาติสายโลหิตของท่านจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นใครที่เคยเกื้อกูลเขาก็จะกระตือรือร้นที่จะมาําดับญาติมารับบุญรับเมตตาของท่านแล้วก็จะทำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อท่านได้ หากว่าท่านผู้ใดที่ฝึกสมาธิได้จนกระทั่งแผ่กระสินออกไปโดยรอบตัวเองเห็นเป็นรูปกระสินที่แผ่รอบออกไปให้ท่านแผ่เมตตาไปตามองค์ขยายขององกระสินที่ท่านแผ่ ท่านผู้ใดสามารถที่จะจับลมปราณในตัวของท่านได้ก็ให้แผ่ลมปราณของท่า น, นออกไปโดยรอบตัวของท่านเหมือนกับว่าพลังปราณสร้างออกไปจากตัวของท่านจะสร้างออกไปในรูปรักษณ์ใดก็แล้วแต่ท่านจะทําได้ บางคนก็ซ่านออกไปเหมือนกับหมอกหรือเหมือนกับไอน้ำแข็งหรือเหมือนกับกล่มควันที่เขาพ่นบนเวทีการแสดง มีกระแสจิตของเราเนี่ยมีพลังเย็ยนมากขึ้นมีพลังสงบนิ่งมีพลังความปรารถนาดีแน่ชัดยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นกระแสเย็ยนกระแสสงบเอ่ยออกไปจากตัวของท่านโดยรอบรอบเนี่ยจะรอบในลักษณะรอบแบบแบนกลมแบนหรือรอบแบบทรงกลม เหมือนลูกโลกหรือเหมือนผลส้มก็แล้วแต่จะทําแต่ถ้าถ้าทําจนจานานแล้วเราก็ทําพลิกแปลงเป็นลักษณะต่างๆหรือถ้ารู้สึกว่าทําแบบไหนความรู้สึกออกไปได้ดีก็ให้ทําด้วยความรู้สึกนั้นเป็นหลักหรือด้วยความรู้สึกนั้นในขณะนั้นบางคน ก็าอาจจะสร้างภาพสร้างภาพเป็นเป็นเข็มนาฬิกาเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาที่ยืดขยายออกไปทีละหน่อยเช่นครั้งแรกเป็นเข็มนาฬิกาทั้นๆคำว่าเป็นเข็มหมายถึงว่ามีอาการเหมือนเป็นเข็มนาฬิกา แต่จะนึกเป็นลักษณะเข็มเป็นเบ่งออกไปหรือจะนึกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกเป็นภาพทอดออกไปจากใจของท่านก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเวียนรอบไปรอบตัวท่านครั้งแรกอาจจะรอบหลายๆรอบแล้วแต่ท่านจะ ทำด้วยความสะดวกอย่างไรให้เข็มแห่งเมตตานี้จงเคลื่อนไปโดยรอบสัตว์เหล่าใดที่อยู่ในลักษมีของเข็มนาฬิกาที่มีความยาวเพียงเท่านี้เข็มนาฬิกาแห่งเมตตาจิตเคลื่อนรอบไปถึงตรงไหนบุญของข้าพเจ้าเมตตาของข้าพเจ้า อธิษฐานปรารถนาที่พระเจ้ามีให้แก่ผู้อื่นจงไปสัมผัสจงได้แก่ท่านผู้นั้นขอให้ท่านที่อยู่ในรัศมีของเข็มเมตตาจิตที่ขึ้นไปโดยระยะเท่านี้จงได้สิ่งนี้จงสำเร็จอย่างนี้เถิดท่านปรารถนาจะให้อะไรแก่เขาก็จงให้ และประารถนาจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากเขาด้วยเรื่องอะไรก็จงบอกเขาไปและร้องเชิญโดยขอให้เราได้มาพบกันได้เกื้อกูลกันทั้งโดยตรงโดยพ้องเราก็จงได้ให้เขาและเขาก็จงได้ช่วยเราจากนั้นก็ยืดเข็มนาฬิกาออกไป ตามระยะที่ท่านปรารถนาที่ท่านถนัดจะทําแล้วก็เคลื่อนความคิดไปตามเข็มนาฬิกาไปโดยรอบและขยายออกไปทีละระยะทีละระย ะ, ะ, ะ, ยะจน มองไม่เห็นเบื้องปลายของเข็ม น, นาฬิกาคือตลอดทั่วโลกทั้งโลกตลอดทั่วจักรวาลทั้งจักรวาลทาให้จุกใจทําให้เต็มปรารถนาทําให้สมบูรณ์แก่ความรู้สึกของท่านความสามารถจะทำได้ของท่านหรือท่าน จะทำความรู้สึกขึ้นว่าเมตตาที่ท่านแผ่ไปเป็นรูปทรงกลมตัวของท่านนั่งอยู่หน้าที่ใดแผ่เมตตาออกไปเป็นรูปทรงกลมราวกับว่าตัวของท่าน มีโลกโลกหนึ่งเริ่มด้วยโลกขนาดเล็กที่ท่านสมมุติขึ้นเพื่อเป็นพาหะของการแผ่เมตตาการขยายเมตตาแผ่โดยรอบหมุนไปโดยรอบโลกที่หนึ่งขนาดหนึ่งโลกที่สองขยายใหญ่ขึ้น และขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนครอบจักรวาลและเมื่อแผ่กลับถ้าเป็นเข็มนาฬิกาก็ให้นาฬิกานั้นหมุนกดลัดเข้ามาตามลำดับตามลำดับด้วยความมั่นหมายในใจว่าเข็มนาฬิกาแห่งเมตตาของท่าน กำลังทักนำมิตรผู้เกื้อกูลนำความสําเร็จร่วมกันระหว่างเรากับมิตรผู้เกื้อกูลมิตรผู้ร่วมประโยชน์ผู้ร่วมความสําเร็จอย่างนี้กลับเข้ามาสู่ตัวท่านเข็มนาฬิกานั้นหดกลับเข้ามาทีละน้อยทีละน้อย จนกระทั่งมาสู่จุดหมุนคือที่ตัวของท่านทำความรู้สึกว่าเราได้ส่งใจไปคว้านไปแสวงหาไปตามผู้ที่ควรจะมาร่วมความสำเร็จ ควรจะมาร่วมประสานประโยชน์เกือ้อกูลกันให้ได้มาร่วมความสำเร็จประโยชน์สุขันนั้นแม้โลกที่ขยายใหญ่ก็ลับตัวเข้ามากลับเข้ามาสู่ตัวของท่านใครจะทำได้ด้วยวิธีอย่างไร ก็ให้ทำตามที่ท่านสามารถจะทำได้อย่างสะดวกใจใครที่มีสมาธิ่จต ด, ดีและสิ่งเหล่านี้จะทำให้เมตตานั้นได้อาศัยเป็นสื่อแสดงออก นำกลับมาซึ่งความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราปรารถนา ล, ลึกเนี่ยเวลาแผ่วไปนในความรู้สึกเราเนี่ยมันเหมือน กำหนดธาดลมธาดลมอย่างคนที่เคยฝึกอาการเดินลมปราณอย่างของจีนเขาก็ดีหรือฝึกอย่างาคนที่ปฏิบัติแบบกําหนดเวทนากําหนดเวทนาคือกำหนดความรู้สึกมันก็จะออกไปพอออกไปอย่างนี้จะแรงมากถ้าเราจับไอ้สภาวะธรรมคันลึกได้นะี่ะเวลาแผ่ออกไปนี่แรงสามารถทําให้สะดุ้งสะเทือนได้ คือจะรู้สึกเลยว่าถ้าความรู้สึกอันนั้นออกเนี่ยจะสะดุ้งสะเทือนแกผู้ที่เราแพ่ไปด้วยความรู้สึกอางนั้นก็ขอให้ให้นึกไว้เสมอว่าเราทําอย่างนี้เป็นการฝึกด้วยประการหนึ่งเป็นการทําบุญด้วยประการหนึ่งแ ล, แล้วก็เป็นการให้พลังเพื่อความสําเร็จด้วยประการหนึ่ง แล้วก็ให้ให้ลองสังเกต ด, ดูสังเกต ด, ดูผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราอย่างน้อยเราก็มีความสุขมีความสุขกับการทำอย่างนี้หรือว่อยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็เวลาที่เราไปติดต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะไปทาอะไรก็ตามเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองดีขึ้น ค น, คนที่กรหมาคนที่ขาดกลัวเนี่ยนะฮะก็จะมีความเชื่อมัน่นแล้วก็อะไรอะไรก็จะดูดีขึ้นพวกครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านทำกรรมฐานทานเนี่ยหลายหลคนเนี่ยเวลาท่านจ ะ, ะสมมติท่านจะขึ้นมาปยายมาัญญาธรรมะท่านจะต้องแผ่เนี่ยแผ่เมตตาก่อนหรือว่าเวลา ตอนาจะไปพูดเนี่ยเร้จะั่งเกิดได้อย่างหนึ่งว่าคนที่หรือพระที่ท่านเก่งทางนี้บางทีนั้นไม่มีใครรู้จักตัวเมื่ออยู่ๆให้ท่านไปพูดที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้มีการจะทําสัันเนี่ยนะผมนั่งเกิดมาเยอะอะพอถึงเวลาไปไม่รู้คนมาจากไหนไม่รู้คนมาจากไหนทั้งที่ไม่มีการประชาสัมพัน มันมีทั้งบางคนที่เราเรานด้หมุนได้เชิญไปในที่ใดที่หนึ่งแบบปรับปรับเนี่ยนะไม่รู้คนมาจากไหนซึ่งไอ้ที่เราไม่รู้เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริจริงเนี่ยท่านเหล่านี้ผมก็มีสองอย่างไนอะ้บางอย่างเนี่ยก็จะดูไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็พอฟังได้ก็คือการแผลในตาเลือด ลูกค้าเรี่กลูกค้าเลยเนียกคนฝักก็จะมาผมไปเะโมงพามาเนี่ยเป็นอย่างนี้นขนาดบางทีขึ้นโดยบนเขาสูงๆเนี่ยนะซึ่งต้องขึ้นเป็นระยะทางถึง3กิโลเนี่ยแต่เวลาท่านขึ้นไปพูดเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนแอ้เราก็พูดเราไม่รู้ไปนะทีจริงๆก็คือรู้เพราะว่าท่านแผ่เมตตาก่อนจะไปบรรยายนี่ย มันจะต้องเกิดเหตอะไรสักอย่างคนแตบมาครับแต่ว่าถ้าคนไม่มีพลังเนี้ยบางทีมันจะทำพันกระแทลมจะตายคนไม่มาบอกว่าตู้พลังทำไม่ได้นะคนปฏิบัติทำอา่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยเขามีฝ่ายใจาทาพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวเราก็พูดว่างนั้นกันคือ บาที่ท่ามที่มองไม่เห็นตัวก็คือว่าคนเหล่านี้หรือพระเหล่านี้เนี่ยท่านไม่ได้มีคนเลื่อมใสเฉพาะมนุษยนะ์มีผู้เลื่อมใสที่ไม่ใช่มนุษย์และท่านเหล่านี้ท่านท่านดนผิดโดนใจได้คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ลยอลองศึกษาต่ อ, ตอไปสามารถจะดนผิดโดนใจให้ที่นี่ไม่น่าจะมีคนไถ่บาปก็มีคนไถ่บาปอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า โดนจิตโดนใจคนต้องมาทําบุญข้ามาอะไร อ, อะไรก็แล้วแต่แตครับหรือมาฟังเทศฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ตามที่เพระภิกษุผู้ทรงพลังนั้นท่านมีความจํานงหวงังพาฒนานี่พูดถึงในแง่ของพระผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าอีกกรณีห น, งหนึงที่มันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คือพวกทรงเจ้าเข้าสีในอย่างผมก็สังเกต ถ้าพวกนี้ไปที่ไหนต้องมีคนไปไปกันยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีฝ่ายไปจัมพันที่ไม่เห็นตัวไม่รู้ไปหาลูกค้าที่ไหนมาก็จะมาัเยับผมผมเคยถึงขนาด เ, าเคยทดลองเนี่ยเอาคนมาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิล่ะให้ส่งได้ที่มันฝึกกว่าปีมาได้ แล้วก็นัดมาที่น่ะเสือเขาตรงได้แล้วเขาที่หนึ่งเขาไม่เคยมาตั้งอยู่แต่วัยเกษมซึ่งที่นี่ยปกติผมก็ไปก็ไปคุยธรรมะอะไรกันก็ก็มีคนไม่กี่คนนะฮะแต่พอคนนี้มาไม่รู้คนมาจากไหนก็ทั้งใจเขาไม่รู้มาจากไหนแต่บังเอิญเราก็พอรู้ว่าอ๋อเขาไปหาลูกค้าอะไรก็มา มันเป็นพลังอันหนึ่งของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทีนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะเราถึงพยายามที่จะนึกถึงหรือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มองไม่เห็นตัวที่เราแร่ส่วนกุศลผูกมิตท่เนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเราก็ได้พึ่งพิงมาพอสมควรนะนะ วิธีการอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปท่องคาถาบังคับผีอะไรอะไรอย่างก็เหมือนจะทำกันนะนะอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะให้เราใช้ธรรมะใช้ผีกรรมคือบํารุงให้เขามีพลังเนี่ยมีระบาดสูงสูงเนี่ยเขาก็นึกถึงน้ําใจของเราหรืออะไรก็บอกล่าเล่าขานกันให้เฝ้าบานเฝ้า่องให้อะไรอะไรนีก็ได้จะช่วยได้ได้เยอะก็มีคน เคยถามผมเมื่อสองขาวก่อ น, ออ น, นบอกเอ้ยใครจะได้รู้ไปยังไงบอกเ๋ยนอาจารย์แนะนําให้คนขายที่ดีๆมีใครบ้างทําได้รับความสําเร็จอเอ้ยผมก็นั่งนังนึกเออรู้สึกว่าที่โลมีอยู่หลายไอ้ที่ไม่สําเร็จเ้าก็ไม่ได้มาเล่าแต่ว่าพอพอบอกว่ามีอยู่หลายแนละ้วมีคนมาโทรมาบอกว่าเป็นนี่เป็นสินเขาเป็นนี่เป็นสินเขาเยอะ เขไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะฮะแล้วก็มันก็มีที่อยู่แหลกไดจะขายก็ไปบอกขายทั้งก็คุยกันผมก็ลืมไปแล้วล่ะก็ก็ขอบคุณเขาสาธโพมาพอจะมีเสียงยืนยนันดึกดายว่าให้เขาทำอย่างที่เคยแนะนําเนี่ยเออเขาก็ขายได้เขาพอ ป, ปลดหนี้ก็ดสินแบ่งตัดแบ่งตัวนในกระไรก็ก็สบายไปก็ลองลองดูนะลองลองดูเพือ่อจะ ช่วอะไรได้บ้างเพราะว่าอคนเหล่าเนี้ยไอ้คนที่เขาขวางเราเนี่ยก็มีนะฮะเขาก็จะได้ไม่ขวางเราและไอ้คนที่เขาเคยเป็นอะไรกับเราเนี่ยเรามีสื่อเชื่อมเนี่ยที่บางทีอยู่ไกลแสนไกลเขาก็อาจจะมามาหมายก็มามาว่าเออเนี่ยเขาเคยเป็นยากค้าลูกิจัยไรตะเกาวก่อนมา ก็มาช่วยเหลือมาสนับสนนว่าเราได้ส่งสื่ออะไรบางอย่างไปก็ไปถึงได้ด้ว ย, วยเถียงเพราะว่าพระพิจธเจ้าก็บอกแล้วว่าไอ้เรามันเวียนพ่ายตเกิดมาหลายภพหลายชาติญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งในทางบวกในทางลบเนี่ยมันมีอยู่เราก็อย่าลืมทีนี้ทำเป็นมนุษย์หนึ่งก็จำนองเดียวกันมนุษย์เราเพียงแต่ว่าเราจากันไม่ได้ ว่าเคยทำอะไรกันมาเปลี่ยนเพียยว่าเรามีความรู้สึกสบัทยาสายกันแล้วก็อาจจะมีการเกือกูลกันด้วยทางห้าวัตถุก็พอจะอนุเคราะห์กันไดนะ้คือใช้ธรรมะชั้นกทังกายภาพแต่ว่าถ้าเราใช้ทางทางจิตรภาวนาเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวดีที่สุดเป็นตัวดีที่สุด อ, อตอนนี้นะมีพวกเราที่ที่ประจิก็กําลังจะสร้างคูหาบฏิบัิต้องใช้เงินหนึงสิบล้านก็นักจะมาคุยเราอยากจะให้ให้เสือเหลือกันบ้างแต่ยังไม่ได้คุยกันทตอนนี้มันก็แหมเงินสิบล้านมันก็อยากนะเพราะอะไรแล้วก็รู้อยู่แล้ว ที่พูดถึงปัจจิถ้าไมไม่ใช่ไม่ใช่อีกที่นะที่ประจินที่ธรรมกมลานะผมก็ก็กำลังจะบอกว่าเอถ้าได้คุยกันกันกบคณะกรรมการเนี่ยจะขออย่างหนึ่งว่าให้มาตั้งวงอธิษฐานจิตแผ่อย่างที่ผมว่าเนี่ยจะทำกันไหมนะจะไดเ้เรีย ก, กระดมเงินบริจาค ดวยวิธีอย่างนี้โดยไม่ต้องไปเสียเสียความรู้สึกต้องไปขอก็นั้นขอกันนี้มันเสียหน้าไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกันนะฮะถ้าหาควา ม, วามปลอดครองดยวิธีนี้ไอ้วิธีอือแล้วก็ทําไปเท่าที่ทาได้แต่วิธีนี้จะมีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพวกคณะกรรมการก็นักปฏิบัติมือดีๆกันทั้งนั้นช่นะะวยทำกันตรงนี้ไหนได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปบอกบุญเรื่องอะไรให้มันเกิดให้ความสนุนอย่างนี้ขึ้น แต่ว่าในวงการไฟวิวัสนาการก็พอเป็นที่รู้กันนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งใช้ก็ออาจจะมีบางคนใช้แต่ว่าเราไม่มีบางคนใช้นะแต่ว่าอย่างไรๆก็ไรๆๆเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งใช้อย่างเช่นจะเป็นยุคพุตก็ดีสร้างอาคารทั้งสามสิบกว่าล้านแล้วก็มาสร้างใหม่อีกทั้งห้าสิบล้านก็จะทําได้ทําดีนะฮะมันไม่ใช่เพราะว่านายกเขาล้ำรวยหรอก ก็ได้จากเงินบริจาคเนี่ยแต่มันทาเหล็กก่อนแหละรปรากฏว่ามันมีโครงการสร้างพระตอนนั้นนะฮะ mm. ก็เอาอย่างคนอื่นไปแหะสร้างก็ปรากฏว่าเข้าทุนเท่าทุนพึ่งพระไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องนะะแต่ที่ได้กลับได้จากพลังของการปฏิบัติพลังของการปฏิบัติเรียได้โดยปริยายไม่ได้ได้ดวยวิธีอะไรอย่างนี้เรียกว่าได้โดยปริยาย จนกระทั่งอย่างที่ปะจินเขาบอกเออไม่เป็นไรทําไปก่อนเดี๋ยวก็มีมาเองอแสดงว่าคนทำเขาก็พอก็เ ข, ข้าใจอยู่บ้างเหมือนกันแต่กระจายถึงต้นต่างๆเหมือนกันนหะทําทําไปก่อนเนี่ยนี้ถ้าเราพยายามทั้งหน่อยก็คงได้ ไ, ไม่ใช่ในชั้นเครื่องไม่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ใช่วิธีนั้นเลยคือทำสร้างลงมือสร้างไปก่อน เดี๋ยวเงินคงมาเองคืออันนี้ถือเอาตามอย่างที่สร้างดีอื่นนะ่ะพอพวกสำนักปฏิบัติในะอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเขามอุ่งเขาม่าเนี่ยนะไม่รู้งเงินทองไหลมาจากไหนเพราะว่าพลังทีนี้ถ้าว่าเจ้าสำนักที่ท่านเก่งๆท่าน ท, ท, ท่านจะอธิษฐา น, นยังไงอธิษฐานแหน่ให้ให้มีปัจจัยในการสร้างก็จะทำสำเร็จ เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนหลายลูกในเมืองไทยเราเนี่ยมีถ้าจะคิดสร้างนะเป็นได้ว่าจ ะ, จะไม่สร้างเขาคือตุองบอกว่าเนี่ยออะไรหๆที่บางที่บอกละล ว, ว่าเออท่านน่าจะทําตรงนี้่ะแล้วก็เงินมันจะไหลามาเทมาด้วยกา ร, การปฏิบัติแล้วก็ใช้พลังอ่ะทรพวกนี้นะเงินไหลามาเทมาได้เป็นเรื่องที่พิสูจ อะไรไม่ได้เลยจริงแต่ว่าผลมันออกมาเยอะนะ้ันมาตั้งาว่ามันจะอย่างนี้เลยหรือเพราะว่าขนาดว่าข้าวบดทีใช้ติวต า, ว า, น, น, านี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าการ ส, า ร, สาาร้างมันมากไอ๋ไอตรงนี้ก็หมายว่าเราเราพูดถึงในเกณฑ์ที่เราจะทําเนี่ยแล้วมันอาจจะห้าสิบห้าสิบอะไรเนี้ยนะฮะเพราะว่าอพลังเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวกับพื้นฐานทางบุญของผู้สร้างด้วยแล้วก็พลังธรรมะด้วยถ้าถ้าคนมีพลังตัวเนี้ยก็มันครอบ เป็นไปได้ทั้งทา้งพรทั้งโย ม, มนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนะี่ยเราเอาเคล็ดมาใช้อย่างในกรณีที่เราเป็นพระวาทาูู้รองเหลือนสมดว่าเราขายของ เ, เปิดหน้าร้านขายของอย่างธรรมดาถ้าเจ้าของร้านเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาเรียกุกูปานะฮะดูแลไป ปูกบ้านอยู่ตามแย่ตามอะไรเงี้ยนะไอแถวนั้นเขามีรถชนกันตายคนตายเขาม่รู้มีศพแล้วเราก็เนี่ยรู้ว่ามันมีอะไระะแต่แล้วก็แผลตรงก็สนให้ช่วยกันยอะไเงี้ยนะแต่เมตตาคนที่เขาควรจะเข้ามาแล้วก็แผลเมตตาแล้วคนมีเมตตาในข่ยันหนึ่งก็คือว่าไอความรับผิดชอบในสินค้าตัวก็ดีอัตริยะาใสาก็ดีมันหลายอย่างลูกค้าก็ก็มาก็เกิดเธอแล้ ว, ลวไอบางรายแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องขายดีแผลดีเพราะ ไอ้สินค้าก็ดีอะจจะเป็นคนนี่แต่บางรายเนี่ยร้านเล็กๆร้านขายยาแต่ทำไมขายดิบขายดีทั้งเมืองเนี่ยถ้าร้านนี้เปิดไอ้อยู่ที่อื่นมันก็มามาซื้อร้านนี้พอเจบของร้านทำมาวัน่ะแต่ไม่ตาดเสียลูกค้าผมเกือบจะไม่เกือบจะเลิกพูดเรื่องของหายซะและะ<น>ะ้วนีเจะเล่าให้ฟัง เมื่อไปเมียกลับมาแเจคยูคุณก็ก็เชินผมไปบรญยายผมบอกเลยผมเกิดกันเลิกเล่าแล้วเลิกเล่าแล้วผมกาลังรออยู่ว่าผลมันจะออกหัวออกก่อนคือแต่เซนแล้ก็เล่าได้คือผมกลับไนเทืยสองเดือนกว่าเนี่ยมันก็ไม่มีของหายนะทีนี้ผมกลับได้อีกทีหนึงเนี่ยโ อ, โอวันนั้นกลับไปแล้วก็ออกมาทุละ ในวันอาทิตย์เนี่ยไอเรือลำใหญ่เขาบอกเรือเรือไฟเบอร์เที่ยวไวใส่ของเนี่ยนะไอเรือเดินทะเลแต่ว่าเราซื้อมาให้ขนเข้านขนกลเราก็จอดใสด่กุญแจ้ต้องมีติดกุญแจปั๊กสองเดือนเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่กุญแจไม่หายฮะทีนี้พอกลับมาแล้ววันนั้นลึกยังไงก็ไม่รู้เอากุญแจไปใส่ <c ười> พอกลับ ม, มาวันจันมันปัดกุญแจให้ตัดตัดเครื่องขา ไอเราเข้าไปดูอุตสหาเนี่ยขี่จักรยานไปดูมันไปบ้านไหนเข้าไปงั้นเราไปดูเอาหาจับมือใครโดนไม่ได้เพาะตายแ ล, ล้วเราตอนนั้นก็ไมกว่าเอออีกอาทิตย์นี้จะต้องไปบรรยายของไสาต้องหุบ ป, ปากนี่ผมไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหายผมก็ทำสมาธิแต่ผมทำอะไรลงมาผมก็แผ่เมตตาทั้งกอบทั้งกลวงใ้คนเอาไปเราก็ไื่เู้นย ส่งจิตไปในตามคลองกลองที่รารว่มันจะเอาไปทางส่งไปตามกลองนั้นไปถึงไหนเจ้าที่เรารู้เราก็สงจิตไปว่ามันเข้าไปขอให้มันเอามาคืนแล้วเราก็สร้างภาไว้เรือของเราเนี่ยมึงวึ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งม า, ม า, ม า, มานะทั้งําเลยะ่ะทีนี้เราก็ทำอยู่นี่ยมาแหมดูที่ว่าเราจะไปมีหน้าปูดับปกดับที่รยกพุทธก็ไปอานี้เนี่ยทีนี้ พอเราสร้างภาพนี้เราสร้างภาพนี้เขามีความมุ่งหายต้องได้คืนแต่ว่ามันไม่น่าจะเอามาคืนถึงที่เพราะมันกลัวใครเห็นนะเออไม่เป็นไรให้มันคืนกล้วกันกลัวถูกจับ ก, กลัวใครเห็นไนี่ยมันน่าจะไปจอดซุกๆไว้ในที่ใดที่หนึ่งไอ้ที่พอรู้ว่าเจ้าของบ้านไปเอากลับคืนมาได้หรือพอรู้มันเอามาคืนแล้วนะปรากฏว่าได้มีโอกาสพูดอย่างขนาปากเพลิดเพราะว่ามันเอามา ตอดไว้ไอ้หัวขนาดสวนผมนะฮะมันเอามาล่มไมัยน้ททำเรือให้จบแต่ว่าพอเห็นผมนํมาไม่เห็นนะไอ้คนอื่นเขาไปเห็นว่าเรืออาจารย์หายไปไหนพอผมได้ยินคำนี้นะ่ะผมรู้เลยว่าได้คืนเลวบุกของได้คืนแนะล้วอค่ไหนบอกตั้งแตรวันนะวันอาทิตย์นะ่ะ ไม่รู้บอกไม่รู้หายไปไหนบงกนี่อาจารย์ไม่เห็นเลยเราอยู่หัวสวนนะเนี่ยคนนี้เขามาบอกอผมก็เลยไม่คืนแหมตามของคืนได้ทีนี้ไอเวลาที่จะทวงท่องตรงนี้อะไร น, นี่เราทำไงนะทําอย่างแต่ว่าต้องทุกต้องวางใจเป็นกลางในลำกาญมันอย่าเล่าร้อนนะต้องตัดใจต้องบอกเออมันจะมีกรรมหายก็หายจะได้คืนก็ได้คืน แล้วก็แผ่ึมตตาไปให้มันนะขอร้องมึงอยาวไปเลยว่ากูนีรําเดียว ม, มึงเอาไปหรือกูจะเอาอะไรผลของอะวะอะไรเงี้ยนะอย่าเอาไปเลยนะกูก็ไม่เป็นคนมีพิษมีภักยก็ใช่แล้วนะอะไรเก็พูดไ่างี้ยพูดแบบไอ้พูดไกล้หัวขโมยนะพูดแบบเมตตาแล้วก็แล้วก็เลก็กในใจไงเล็กในใจแผ่เมตตาแล้วก็มีทั้งเกาทั้งขู่ว่ามึงไม่เอามาคืนนะมึงหน้าดูอะไเงี้ยนะไม่ดีนะไอ้คนนีงเลยเราก็พูดส่ง พูดเพื่อให้มันออกไปเป็นความรู้สึกไปกระตุนแล้วก็แผ่แผ่บุญแผ่เมตตาให้กับญาตาิสาวกิจเพื่อพ่อแม่พี่น้องมันด้วยปู่ย่าตายายเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไงหัวขโมยกโมยไ่ดูตามมาตาเรือมันกโมยคนอย่างผมไงส่งนี้นี่ฮะไม่<ะ>ไ ม, มีอะไรไม่มีเปเรือเปล่าแต่ว่ามันราคาเป็นหมื่น เัลือไฟเบอร์อย่างค่อนข้างดีหน่อยก็แล้วเราก็บอกแ ก, ก่เจ้าที่เราด้วยบอกทำดูแลอย่างไรว <c oughs> ันนี้ต้องรีบไปเจรจาเขานะไปคุป้นกันให้รู้เรื่องแล้วก็ทันามก็ไม่ได้ดูเขาชอบนอนดูเล่นๆะบอกแม้อ เ, เลยเนี่ยวุ่นวายเนี่ยคแล้วจะเอาหน้าไปพูดกับใครก็ได้่ช <c> ะ <oughs> บอกช่วยอ่ะใครมันเรียบร้ อ, รอยดีนะ เติมก็เรียบร้อยเติมก็ดี่งแ้วเราค่อยสบายใจหน่อยคอย่คอยพูดต่อไปได้จจไไดเขาไม่ได้จอะรูเขาคงจะเอียงเรือให้มันจมนนจที่หายไปใช่ไหมน่าจะอาทิตย์เสร็จเสร็จ น, น่าจะอาทิตย์เสร็จเจกิเลยดีใจ อ่าที่ไหนนะอ๋อเอออันนี้ผมไม่รู้จักเขานะ <c oughs> ก็เห็นแต่ว่าเขาจัดการดีอะไรดีแต่อันนั้นไม่รู้นะฮะไม่รู้จักเขาเลยพูดไม่ได้แต่เราสังเกตได้เลยนะ <c oughs> ผมเองเนี่ยค่า อย่างที่บรรยายธรรมะอะไรกันไหนผมก็แผ่ไมตตาแต่ไม่ ไ, มได้ทาบ่อยนะว่าเวลาไปปฏิบัติทำแล้วออกมาทีคนจะมาเยอะเพราะผแงแ่ออกได้ทำบ่อยนะเวลาไฏิบัติทำแล้วออกมาทีคนจะมาเยอะเพราะผมแผงเนะตาแต่ม่อยาฟิังแล้วก็แนะผ่เห็่ไม่นภาพทุวกาคนในมาอเราแงเมา้ทนเลปัทแล้วออกาหน้าเอะเราะผงตาแต้นเลาไัตนแล้วก็บางคนหายไปนพนานผมเรียกกลับมได้ยไ เลือกกลับได้เลือกโทรศัพท์มาก็ลองดูบ่อยๆเออเป็นไปได้เหมือนกั น, นนะเนี่ยหลายคนเนียเลือกกลับได้ อ, อแล้วก็ออคนที่แม้แต่ทันาศนคติอะไรที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนได้ด้วยเมตตาที่บริสุทธิ์แต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นไอ้ข้าตรงนั้นแต่เมตตาเนี่ยก็ก็เข้าใจกันได้ ไอบางคนเคยเข้าใจกันผิดแล้วพวกเนี้ยนับตั้งแต่ป่านี้เป็นตอนไปนี่พูดต่อหน้าอย่าไม่ยกมือไหวนะคนคนนี้แล้วพอเจอหน้าก็อ่อนเปรี้ยงนะอ่อนเปวืกเปลี่ยนเลยเออมันก็มันก็เป็นเรื่องคือหนึ่งถ้าเขาไม่เป็นคนกลับไปกลับมาก็เพราะว่าเราเนี้ยไม่หวั่นไหวกับความพฤติกรรมหรืออะไรก็เลยเรายังมีความรักยังคาบซึ้งในบุญคุณของเขาน้ําใจของเขาที่มีเราเนี่ยนะ ในเรื่องอ่าถึงจะเป็นเรื่องว่ะเล็กๆกน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็ยังนั่ถือในความดีของครับพ่าเขาเป็นคนดีเราก็รักษาเมตตาไว้ได้ก็เลยทําให้เขาต้องกลืนน้ำลายโดยเนี่ยเลยบอกนี่เป็นไงไหนคุณว่าจะเลิกยกมือไหวกันแล้วนั้นมันก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสาระที่มีคุณกล้าอะไรตรงนั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าเราสามารถจะรักษาความรักจริงๆไว้แค่คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของเราตรงนั้นทีนี้ถ้าเราเราจะระดมคุณหรือระดมใดได้เนี่นะเราก็ใช้วิธีอย่างเมื่อกี้คือช่วยกันแทน เข้ามาช่วยได้เพื่อประการไหนขอให้เขามาช่วยแล้วแต่ว่าเราเองต้องตั้งสิ่งตอบแทนไว้ในใจให้เขาด้วยนะสิ่งตอบแทนไหนเพราะว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ขออย่างคนกระหายหรืออย่างคนแต่ใจเอแต่ต้องขอด้วยความรู้สึกว่าถ้าเขามาช่วยเนี่ยเขาคนนั้นโชคดีเขาได้สิ่งที่เป็นคุณค่าเขาจะได้โชคดีเพราะมาทําอันนั้นต้องทําความรู้สึกแนี้ด้วย ถ้าเขามาช่วยแล้วเขาต้องมาเดือดร้อนแล้วเขาไม่ได้อะไรเราก็ไม่อยากได้เราต้องต้องทําความรู้สึกกันะแม้ในเรื่องเรื่องการงงการงานอะไรเขาเหมือนกันเมื่อกี้นี้มีใครปิดอัดปั๊กแฉแล้วอื่นะนี่ใช่ไหมขอให้ไปทําเรื่อยๆและผมฝากว่า วิธีทพิสูจน์ที่จะเห็นผลชัดเมื่อท่านไปเข้ากรรมฐานและให้ลองทําตอนนั้นถ้าสมมติท่านมีความต้องการปรารถนาอะไรอย่างรุนแรงเนี่ยที่เป็นเรื่องแล้วจะแก้ด้วยวิธีนี้เนี่ยนะไปเข้ากรรมฐานถ้าท่านพอเข้ากรรมฐานขึ้นนะแล้วก็ให้ไปทําตอนนั้นจะทําให้ปัญหาตกแล้วก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ฝากคุณ ไม่เข้าเนี่ยพลังมันน้อยต้องสะสมนานแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนคือบางคนที่มีพลังบุญดีหรือพลังบา ร, รมีทางนี้ดีเนี่ยนะฮะก็จะสามารถทำได้ได้ผลดีแม้อยู่ข้งนอถ้าสมมติว่าเอาย ง, ง่ายๆพรุนี้อาพรงนี้ถ้าสมมติท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าฟัดกระบงเนี่ยนะท่านมาแผ่เมตตาก่อนจะไปทำงานหรือก่อนจะออกเดินทางแผ่เมตตาท่านจะรู้สึกเลยว่า พอออกมาปากซอยเจอร้านข้างมันทำไมมันดีทำไมมันดูถูกหูถูกตาไปหมดนะการเดินทางอะไรก็รู้สึกเออดูมันปลอดโรงไปที่ทั้งงานก็ดูปลอดโปรโ่งนะฮ <c oughs> ะไอ้รถไอ้เรื่องรถติดนี่เหมือนกันนะไ อ, ไอ้เราก็ต้องว่าทุกอย่างนี่มันเป็นไปตามส่วนของมันเราต้องว่านะ ไม่ใช่แผลมาตอนเวลาไม่เร่งด่วนรถก็ไม่ติดไม่ติดทีนี้ไอ้เรื่องนี้ น, นะผมว่าหลายคนนีนี่มันเกินเวลาแล้วจะจะเล่าหน่อยนะ<ม>คือทั้งผมเองได้เคยลองดูแล้วก็พวกพวกที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยลองดูสมมติว่าขับรถหาที่จอดเนี่ยไม่มีที่ว่างลองกำหนดปิดแผลเมตตาอธิฐานเจอที่ว่าง นี่ไม่เคยผมเพาผมไม่มีรถผมก็ไม่เคยแต่ว่าก็นังน่งๆรถไครเขาก็ย อ, รอยเราเพราะอาจารย์มาด้วยเลยว่าในเขาย อ, อยแต่ว่าอ้วันนี้นะมีอาจารย์เกษก็ขับรถมาส่งผมเราเขาขับเริ่มผิดมาทางทางขนหงนะเนี่ยนะฮะแล้วมันมีทางพอเ ข, ข้าช่องนั้นมันจะต้องเลี้ยวซ้ายอาจารย์ก็เกิดตรงมาพอตรงมาเนี่ยตำรวจเรียกเรียกก็หยิบใบสั่งมาจะปรับ ไอเราพ่อที่จริงก็เปลียนได้ น, นิดหน่อยลองแผลเมตาหนเะดีย๋ยวได้จองไปจองทางกันเลยจา่าไอ้หมูเรืเ่องอันนี้สงทางว่าจ่าจะเพื่อควนแกแกผู้ยากในยามนี้นะขอให้จเจริญในหน้าที่การงานก็ก็มาคุยกันอาจารย์นะตอนมาคุยผมก็บอกถ้าม า, มาคุยก่อนหน้าพผมว่าจา่าเอาออกเดี๋ยวครับปรับไปเลยเราทําผิดนี่นะะเสียไปแต่ละแอบแฝงเมตา่ ตอนเจอหน้าแล้วก็ไปเชื่อไหมัขาบอกเออไม่เป็นไรผมไม่คยมีโอกาสทำบุญก็ขอทำบุญด้วยวิธีนี้สักครั้งนึเียวแ้วนะไม่รองไมไ้มานะฮะผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้อวอวยพรในใจจะจำหน้าไว้ถ้าผ่านไปอีกจะเอาแลไวไ ป, ป่ากตระนามีน้ำใจจะตัดยูุ้ยทักแม้จะปรับตั้งสามรอยอ่ะ 300หกร้อ0ต้องรูกเตรียมเขียนแล้วนะเอาเอาใบสั่งไปนะรอดมาได้แต่ว่าเราก็ไมพยะยามจะใชใ้บ่อยนะแต่ตุ้ยไทยยังไม่หวังผลวนะ่เออแล้วแผลในตาไล้่อนไม่เป็นไรนะ